ก็คือกันแม่ขาวแม่ดำก็คือกันคันตั้งใจฟังแล้วนำไปปฏิบัติแล้วมันที่มีประโยชน์แก่ตัวเราจริงทุกมือทุกมือเจ้าเย็นมาให้ฟังบางคนก็ยังบม่เข้าใจบางคนที่หาว่าหลวงพ่อนี่บังคับคู่เขียนโบมีนอย่างนี้น หลพอมีคนตั้งใจหวังดีจึงแนะนําให้เราท่านบ่าวหวังดีจี่แนะนําให้ยังฟังแล้วจำไปปฏิบัติแม้ยังไม่แนวฟังแล้วทึ่งคือโอ้บางคนได้ผลแล้วยังสั่นวิธีปฏิบัติของพวกเหงืนี่นะ่ะเพราะว่าเป็นแก้การกระทําบวปิด บ้ถูกบ้หู้่นจักบ้เป็นกับโบถูกบ้ถูกมันก็แสดงว่าบ้หู้จักแล้วแต่ว่าเบื้องต้นหุ่นจักรูปน้มจริงจริงหุ่นจักรรูปนา้วกับหุจักรศพหุ่นจักทุกอย่างที่อยู่ในโเรื่องที่ตายเห็นเรื่องตาเห็นหุ่นจักรมัดเลือกละได้แท่แท้สิ่งเสพติดมึนเมาทุกประเทศ ดูลูกงามงานดีทุกประเภทไหว้พี่ไห ว, ว้เทวดาทุกประเภทปวงส้วงทุกอย่างในวัดทุกคนบอบอกว่ า, วามีการคลองแระเนี่ยคอรู้จักก็ื่องลูกงามเลือกได้เด็ดขาดเสีเดียวแล้วก็บอกว่มีงอย่างที่มาช่วยแล้วเด้บระเดมันเหล่าที่เราเอ๋มเลือกได้แค่ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ใดมาประสิทธิ้ยหูและหลงคอรู้จักมือเสาร์ จิงหว่าให้คนจักจริงจริงถ้าหากมงึงเข้าจักจริงจริงแล้วนําไปสอนคนอื่นผิดเด้ผิดแล้วจะเป็นยังไดงยกกับบาปแล้วเขาไปสอนเขาจะผิดเด้นี่แหละบาปมันอยู่ที่ตรงนี้แหละบาปคือมืดาบาปคือบุญเข้าจับบุญแล้วแต่บุญคือหูบุญคื้จับโบสอนคนผิดแล้วบุญมันเป็นอย่า ง, งนี้จิงหว่าตั้งใจฟังพอมานี่จะเอาไปเฮ็ดบุญเถอะ บวผ่านเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ดีแล้วว่าจัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเรล่าตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจกมีอย่างเรล่าตถาคตนี้รู้ไปทุกแง่ทุกมุมทุกออกทุกสอนพระพุทธเจ้าเป็นวารู้ ฮาวเฮต์มังคีรูคือการกับพระพุทธเจ้ารูนิดเดียวอันนี้เฮาโบเซื้อได้เด่นบิ่งโบเซือ่ฝังขับสองกับพระพุทธเจ้าเป็นอะไรที่ว่าเฮาวโบหูม <c oughs> ูแรงมาผมมาหูอันนี้มาหูวัตถุปรามัดอาการวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เดียวเห็นที่มีอยูในโลกนี้ ที่มองเห็นด้วยตากระต า, ม, า ม, มองเห็นด้วยตากระตาตะละมัดก็คือกันที่จับทธูได้วยมือกระตางจับบุทุกปด้วยมือกระตาที่มันมีอยู่อาการทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงได้เมื่อนี่ยผมคิดอย่างไรแต่เหตุเพราะ ข, ขาสะคอนติดติดันมนี่กม็มาอธิบายอันนี้ไปเมื่อเห็นอันนี้แล้วก็เห็นโทสะโมหโลภุภะ โสภาโมหะโลภะ น, น, นี่เป็นของหนักครับเมื่อเห็นอันนี้ก็เบาคุณโหลดเวทนามียุแก่บทุกสัญญามียุแก่บทุกสังขารมียุแก่บทุกวิญญาณมียุแก่บทุกอันนี้คือขันธ์สี่รูปสี่ขันธ์สี่คือมันคิดเป็นขันธ์ รูปที่มันรู้จักิที่ในตนเอนว่าเป็นนามว่าขันซี่รูปซี่เป็นว่าขันซี่ขันห้ากับขันรูปอันนี้มองเห็นได้ตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเรื่อว่าขันห้าขันซี่ตัวนั้นเพ่วาเป็นนามรูปเป็นรูปน้ําเป็นนามรูปอันนี้นรู้จักว่าตัวเองเป็นพระได้รู้เป็ดอย่างนี้ เอออูนี่เป็นพระได้เลยมันเป็นของกานไดแทะได้ผมผู้ที่เป็นเ จ, จ้าหน้าบุคนี่นำา้อนให้ผมจริงเดินไปเดินมาอีกสิบวันนา่งครับเจักเป็นพระได้คลับกลับไปกัับมายันนานผมคิดว่าบุเกินยี่นาทีจิตใจผมว่างเป็นหมาอีกสิคหนึง่งเห็นกิเลส ตันหาอุปทานต่ำนี่แหละครับจริงกิเลสท้าวเป็ี่นได้ครับแต่หากัวโวยจากกิเลสผมจะกรุบงุบจกักแต่ผมมาคำนวณดวงคนทีนี้มาจีว่าเปลี่นได้ซึ่งหัวโวจากกิเลสเพจะว่าหาวิธีตัดมื อ, อมันโูยจากมันไปตัดมือบุญเป็นอมีต่อาพาตัดดอกกิเลสผมเปียบไว้ผมเป็นเด็กน้อยไปติดตักจันครับ ไปบักเอายามีเอามะกั้นเ้านี่ยไเกี้ยวออก่ื้อกับไปทาคนนวนติดมือยำมนักขนุ่นเนี่ยกระเจี๊ยบหุ่นจากขันมะขามีมขนุนแค่เดียวครับติดมือติดมาออกเอาน้าไป่้างมันไม่อยากออกแล้ววันนี้คุ้ใหญ่คุณบอมึงจะให้ดังสันแม่อท่นหยังไงเอาน้ามันแก๊บน้ำมันแก๊บน้ำมันกาดนกน้ามันเป็นซินน้ำมันมูอุ่น น้ำมันกระดำซางมันกระจับมานหกเต็มมือมันออกรถอ่ะนี่มาเด็ู้เท้าผู้แก่ค่ะเจ้าเคยด้วยมึรู้จักวันนี้เอาน้ำมันแก๊บน่มันกามใส่กับหกออกรถหรือที่มีน้ำมันหมูกระตำซางบ้านเฮามันชอบเทศน้ำมันหมูทอดไว้บ้านพแล้วก็น้ำมันดิบ้นแล้วก็มีเนน้อยแล้วมาไว้ทุกย่างหมกไส้จะแสนเดียว ออกหลุดอันวิธีที่เอาบโอยักเลิกละจากของเต่าเนี่ยมันเอื้นกิเลกมันเป็นอย่างเหนียวผมว่านี่หาวิธีตัดซะตัดมือถึงว่าตัดตัดหรือว่าไม่ตัดมือแต่แค่ได้ตัดต้นหลงตัดหลกักเอาทิ้งเอาของที่มันเคยใส่เคยจย่ายย้อนทิ้งคึงว่าตัดมันนี่ตัญหามันคือคิดถึงอยู่แค่เนี่ย คิดถึงอยู่เพราะมันเคยเห็นเคยทำด้คิดถึงว่นมีและบะเนี่เพราะกิเลสมันบีนอยู่ั้นเดีวยดวดิมีแต่ตันหาผลยาอุปท า, านยึดคิดพอดคิดทะยอนละไคิดกระยาของมันตำเพื่อเอื้นวายบากไม่ได้ทำอย่างพี่งวานีย่างส ม, มุิเอานะครับบางคนนอนตื่นมาแล้วเก็บนั่นเก็บนี่สามสิบนาทีสี่สิบชั่วโมงนึงก็บแล้วนะ จับไม่อย่างว่าโลกคุกพักเอาไม่ให้จังใดจังสรรยพันธุ์เอานกีเร็เด้วยเห็นกิเล็จักเชื่อมานจีละกิเรสได้บอกผมเลิกได้เนี่ยว่าผมเลิกกีเร็ดเพราะเ็นกิเล็ดได้ไปเดินกันอันที่นามาเล่าให้ฟังผมคิดว่ากิเรตัดต้นมือตัดต้นลมขาวากันก่อนรถเท็กเตอร์ไทยมันอ้อคนนึงผมเคยว่ารถเท็กเตอร์ใไทยหากเล็กหากนอยมันออกมดแล้วมันบวกเกิดนบบ อันนี้เขาบุ้งหิกิเลสเขาว่าเปลี่ยนซื้อ อ, อันว่าเป็นนันดูอยู่ประโยชน์มันบ่เห็นบุ้งหิจา ก, กิเลสกิเลสมายเาถิงมันอยู่นหงเขานี่แล้วมันมีขอบอยู่นี่บัดนี้เขาเห็นกิเลสแล้วอันนี้มันติงกิเลสทิ้งเลยตัดมื อ, ขอเขาไปเลยไปปัญหามันยากยาเยอะเนีเนี้ยยากกับบริกิตแล้วมันบ่มีแล้วเนี่ยวันเนี่ยอุปทานมันคิดถึง คิดกับญาตมันแล้วมันบนมีประโยชน์แล้วคิดผมคิดยงว่าอันความคิดเรื่องอดีตอ น, นาคตเนี่ยมันใส่ดเนี่ยอันว่าอยู่นี่อดีตอ น, นาคตใส่หมดเลยปัจจุบันนี่ยังว่าอันผมว่าให้ฝั่งสูสนซูนะูเนี่ยบ่เข้าใจว่าเอาอดีตอ น, นาคตไป ใ, ใกล้กันให้เอามาไวาใ้ใกล้กันเนี่ยเอาตัวกิเลสเนี่ยกับตัวตัณหาตัวอุปทานเนี่ย มอว่าใกล้ๆกันเนี่ยอันนี้เขาบอกเข้าใจฟังผมิว่าเปลี่ยนซื้อแสดงว่าอย่างบอกเข้าใจธรรมะแล้ว ไ, ไปสอนพื่นมันกระเพ็ดสินะบอกความผิดพลาดนั่นเป็นบอกเอื้อแทงขวมบาปคือ็จแอันกรรมกับื้บากนั่นเป็นว่าเอื้อการธรรมเยัเ น, เ น, นื่อเสร็จแล้วผมได้เรียนธรรลาดูกันผมรู้จักเถอะเรื่องธรรมะอันนี้ผมบอกผมรู้จัก ตำนานมาหลายเตอร์ไปว่เธอไปผมจะมีความสามารถกล้าพูดกล้าสอนวาต่อพอต่อเนียต่ออ้ายต่อน้องต่ อ, อ, ตอพักต่อครัวผมเป็นโยมอยู่เสีด้วยดีนะสอนนะสอ น, สอนปีกู้วคุณครสอนแม้กระคุณตำนานขึ้นทุมือทุมือเสนอยังว่าปีนี้พวกเขาหมกผิดกันให้ไปเป็นครูเป็นอาจารย์คนได้ผมจะพยายามแยกแยะออกคําพูดนี่ ที่ผมดูมามันแยกแยะไปแล้วก็ทมก็เลยมานอนบันี้กว่าจับอันนี้ดีแล้วโอ้มานอนนอนแล้วก็ธรรมดาผมอยากมันอยากตื้นตีนหนึ่งตีสองนี่ยหละอยากตื้นพอไปนอนผมนั่งตื้นตื้นลุกลุกแล้วผมลุกเบาๆไว้แต่งห้องนอ่ะนึกใส่ตื่น ง, งึ้นนึกใส่พวกประพฤติธรรมเด้ นนี้ใส่คุกคิกบอรแมนนี่ใส่ปฏพบติบอร์แมนนี่ใส่ปฏิบัติธรรมนี่ใส่กิเลสอันนั้นให้จัวใจวิญญาณนี่ยมันเป็นสันดานมันเป็นยางเหนียวมันบูยักออกมันบูยักเลิกมันบูยักเศร้าเขาพยายามออกพยายามเลิกพยายามเศร้ามันหวานสั้นจึงว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจสั้นประมาณนั้นแต่ผมนางข่าวนั้น บางทีพวกโบราณน่ะก็ได้ลุกออกมากมาันนั่งฟ้างจังหวะพอจุ่มคนแล้วปกอออกมาลางหน้าเดินจุ่มคมขึ้นเอกมาดักมันเบื่อยนอนดิโบราณก็ได้ น, น, นั่งอย่บางทีบัดนี้เขาก็มาเดินจนนุ่มคมโมทันไดนะ้เดินไปนนแล้วเดินไปน้อยๆแล้วเห็นตัวพี่เจ็บตัวหนึง่งแล้วเอามาคว้าควาเอามาทานหน้าผมไปผมก็เลยไปเอาเทียนไข ตามตัวขี้เขีบคนนั้นไปตัวขี้เขียบคนั้นตะ ไ, ไก่แล้วก็เลยบวชเห็นที่บุษันเห็นเพราะผมคี้เขียบขัดเคนนึงเจ็บมันเป็นเลือดออกบ น, นขี้เจ็บขัดนเป็นฟองแก้วโอ้โหเจ็บหลงเปีนอะไรเลยอามาเชียงไข่มาตั้งแล้วของเก่าอามาตั้งของเก่าเดินกลับไปกลับมาก็เลยผู้จักสิ้นขึ้นมาเลย สิ่งวิธีผมหููจักนั่งกอดสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันโอ้กิเลอย่างหนากิเลอย่างกลางอย่างละเอียดเชิญว่าสิ่งเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหนาสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสย่างละเอียดโอ้กิเลอย่างหนาได้แก่โทสะโมหะอพระ กิเลสย่างกลางเข้ามาแบบนี้กิเลสตัณหาอุปทานนี่เด้มันหนักมันตัวโกรธมัอันนี้มันบรยกพงบรยักวางตัวกิเลสย่างย่างกลางเนี่ยมันบริยักเสามันบยักเลิกนี่กิเลสย่างกิเลสย่างละเอียดอะไรสนะหมายถึงปกติได้ที่เป็นอนุสัยแล้วก็เลิกได้กิเลสย่างละอี ก็เลยเขาจักสมถะกรรมฐานขึ้นมาลงมาสมถะกรรมฐานมันไปสงบแบบนั้นสงบแบบเบาลืนั่นเองสมถะกรรมฐานเป็นอุบายให้สงบจิตสงบใจวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นอุบายให้เกิดปัญญามันเกิดปัญญาทีเดียวหลวงพอคือกันพระนุ่นนี่น้อยคือกันแม่ขาวแม่ดังคือกัน เกิดปัญญาเหตุอย่างตนางประเทศอันนี้ผมว่าเอื้อนอารมณ์อารมณ์ของอภิปักษณาวนีอ่อารมณ์ยั่งที่อย่างนรวานี่อารมณ์เป็นทักเป็นทักไปโอย่างว่าเขียนหนังสือนับบ้นบอกว่ามาทางนี้นี่เขียนหนังสือไว้เล่น ม, มงมาทางนี้มันไปทางนั้นมันบุญูกเอาไปภาวนาคุตโธบ้างสัมมาอราหาังบ้าง นับหนึ่งสองสาบ้างหองุกบ้างดูลมหายใจบ้างนุกเอพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียคุณหมาในหัวใจดีบ้างนุกเอาลุกแก้วหรือพระพุทธรูปรอยเข้ามาสวมสั ว, สวเฮานี้ไว้คือเสื้อคือผ้านี่แต่อันนั้นโบเม น, น, น, น, เเ ม, นมันคิดเอาอซื้อควัคิดทำมันล อ, อกเขาโบแมน บันนี้เฮามาเบิง้งความคิดของมันคิดเห่าเห็นมันคิดเห่าหูโอ้ความสงบจร่งๆคนละเรื่องกันความสงบของสมถะกรรมฐานนั้นมันสงบแบบเบาลุ้ยให้จิตมันเบาลุ้จิตบาลู้กิเลสว่ากิเลสเต็มหักบาลุ้กิเลสยู่ดากิเลสก็เบาลู้จักกิเลสนั่งของกิเลสอยู่กับเบาุ้จักกิเลส ให้เข้าใจกิเลสแับนี้บางทีมือนี้กับตัดมือกันสักดีนะตัดไม่ตัดมือกันของที่มีเคยใส้เคยใส่ออกทิ้งให้มดตัดมืออันเนี้ยมันเนี่ยหาบาเหตุได้ไม่ดีเจะคิดถึงเหมืนอย่างนี้เนี่ยตันหานจะยากเลยกั น, นอุปทานเราจะคิดอยโอ้ยเอาของกูงไปทิ้งสิเลยนาะเนี่มัเป็นเฮาต้องตัดมือเฮา เขาบอตัดมือเ่าแล้วบ่มีผลอืุจจตัดมื อ, ห, อห่าได้เมื่อทั้งหมดใครมาตัดมือเอ่ากับวอดาเทวดามาตัดมือเอ่ากับวอดายชาอินพระพรหมมาตัดมือเ่ากับบนห่า เ, เลิกเองเข า, าตัดมือเ่าเองนี่แต่ผมบ่ได้ตัดดอกผมเลิกคือเพราะว่าข่าวนั้นผมทุบุรีผมเลิกที่เบิดแต่ผมพยายามออกโอนสินานเนี่ยมันติดอันเนี่ย ขัดโบกินมันทองบดูดีเดี๋ยวมีเสียงเรแล้วใดๆเลยนี่นานอั น, นอย่างออกได้อันนี้แหละจึงว่าเอามาปฏิบัติีเพื่อให้เข้าใจจริงจริงถ้าโบเข้าใจจริงๆแล้วเอาจิตไปสอนคนปฏเทศยังว่าพระเนรเฮาหลวงพอทุกองพระทุกองเนรทุกองญาติโยมทุกคน ต้องฟังคำพูดผมอยู่ลองเบิง้งมันจีแมนหรือมันจีผิดเอาไปาคัดวิจารณ์ที่เรณาเราเบิง้งแล้วปฏิบัติลองเบิง้งคันมันใซ้ได้ผมว่านี่มันดีผมว่ามันดีอะไรเติบนั่นแล้วผมคิดว่าเงินจากล้านบาทเนี่ยซื้อบอดได้เด็ดืออย่างคำพูดผมว่านี่มองว่าจะล้านบาทได้จากพันล้านบาทเดกก็ซื้อบอดได้เด็ดนี่คำว่เฮ็ดเอบดาบอดได้เด็ด ไปพบพระเจ้าจัดฟิตพระองค์กับเฮ็ดบุได้ได้มันเป็นอาสันีจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมพระสง์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เขาลบพระธรรมเนี่คุณว่าเขาบอเขาลบความกระทําของเห่าได้ดี๋ยวู่นี่ที่เป็นแล้วด้วยอวสันที่กําลังเป็นอยู่ด้วยที่จะมาตัดสัูวด้วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องขลบพระธรรม เขาจีบุหิเห็นธรรมะเด็กเขาจีว่าจะธรรมะธรรมะธรรมะมันไม่เป็นได้ธรรมะธรรมะเนี่ยแต่ว่าใจมันบุหิเห็นเมื่อใจมันเห็นแล้วมันเข้าใจธรรมะไปแท้เลยเด็เอาพระธรรมเนี่ยไปทําเอาพระธรรมเนี่ยเอาของสุปกเอาไปเท่งเอาพระธรรมเนี่ยทําให้มันดีขึ้นตำหนักทับหนึ่งวดแล้วดีขึ้น ตัวเหวนี่หละมันดีอยากจะหวังให้เขารดประทานที่เขาลบบุคคลผองบานแล้วที่จริงเขาลบตัวเหานี่แล้วเพราะว่าเหาเป็นพระทานเลยเด้อ ย, ยกมือไหว้ตัวเองมือซาวขึ้นเลยคุณยกมือไห้เลยทีเดีวโอ้กูนี่มันดีป่านนี้น่าจะมันมีเพร็รมีทองคําเจริญไหนได้แล้วแบบ น, นี้เอาไปขายราคาก็าาแพงนี่ ผมเปียกไปอันนันแต่ว่าผมโบโบได้เรียนหนังสือได้ครับเข้าทีหนึ่งอันนี้โบยเข้าทีสออันให้ทานลักษาะจินจินเจดีแล้วอันนี้ไดมครับบบนี่นอันนี้อันนี้มันข่วมมืดคือฟ้ากับเพศดินค่วมกับดวงสิโอ้มันค่วมมดถ้าทําทูกต้องอันนี้แล้วมดบาดเดียวเ น, นี่ยพอเข้าใจแล้วั้น ตอนนี้เศร้นามาแบนี้ทําไปทํามาผมก็รู้จักเห็นรู้เข้าใจจริงจงเมื่อเข้าใจสมถะกรรมฐานแล้วมันบกตายมันมุดตื้อยูภายในจิตใจมันเป็นมันเบากบใจก็เลยเห็นการกระทําบาสนี่แหละการกระทําบาสเอามือไปตีปากเบาวใจบรได้ทิ์ มันเหตุไปสืบื้อเหตุตามอารมณ์ให้อุเนี่ยตัวกิเลสเขาบได้หุจาจักว่ามันเฮ็ดเด้กิเลส ม, เเลลลมันพาเหตไปดิถ้าหากเาล่มมจริงๆริงกันตายไปแล้วไปตกนรกคุมใดนานจากปีจากเดือนบ่นบ่เหนียววได้เจตนาวุเด้เห็นคําพูดตัวเหตุไปตามนิสัยกิเลสให้วเดยไปว่าไปตามนิสัยกิเลสเปนอ่ ถ้าหากเราโลกมีจริงตายไปแล้ไปตกในโลกภูมใด น, นานจากปีจากเดือนจากวันที่เข้าใจไหมบวันนี้มือโถามปากบอกใจคิดซื้อแต่บุห้องจากใจคิดใจมันเป็นกิเลสดมันที่วายฝังอย่างโบตัดต้นหลมุมทีโ บ, บตัดลากออนที่กิเลสมันโบอกโอกเลย <c oughs> ถ้าหากเราโลกมีจริงวันตายไปตกในโลกภูมใด นานจากปีจากเดือนความอั น, นบัดนี้มือกระทำปากกระว๊าใจกระคิดพร้พอมกันมันถ้าหากนกมีจริงตายไปแล้วไปตกนรกคุณได้นานจากปีจากเดือนเข้าใจอย่างาต่นก็เลยตื้อยู่ข่าวนึงมีคนสว่างเกิดเคลิ้นขณะใจจิตใจอีดอโอ้ถ้าหากทำบุนมั น, น แล้วทำบุญโดยบุได้เจตนามือเต็มมือนี่ทำทซื้อซื้อปากบเว้าๆใจสะบัดชิดทำไปซื้อซื้อทำไปตามกิเลสเทว่าียรไปถ้าหากสวรรค์มีจริงตายไปแล้วจะไปตืดสวรรค์สั่งได น, นานจากปีจากเดือนวันนี้มือโบถ้ำมืแต่ปากเว้าซื้อซื้อน้อไปตามกิเลสนั่นแห ล, ละหร้ว่าโดยมุงจากทิพนั่นแหละบุหิตกิเลสเด็กของบุญจากกิเล ยงว่าตัดกิเลสนี่ยมันเอาเอาจริงจังๆบันนี้ถ้าหกสวรรค์มีจริงแล้เกิดสวรรค์ก็ไหนนานจากปีจากเดือนบันนี้ป้ากเบาเบามือเบาๆมีแต่ใจคิดซื้อใจคิดแต่ต่างกิเลสๆจเหากบุญจากกิเลสมีแต่ตางกิเลสถ้าหกสวรรค์มีจริงเนี่ยบ่นตายไปเลยจะเกิดสวรรค์นานจากปีจากเดือน ไป ร, รู้จักวันนี้เอามือก็ททาปากกรเวา้าใจก็ะคิดความกันท้าสาอย่างนี้แหละมั น, นถ้าหากสวรรค์นิพพานมีจริงนะ่ะตายไปแล้วจิตไปเกิดสวรรค์สั่งใดจิตไปเกิดนิพพานสั่นใด น, นานจากวันจากปีจากเดือนม้วเนี่ยเข้าใจแล้วกันพอดีเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็มีความสว่างใจขึ้นมาเลยนี่แหละกิเลสต่ให้เขาจักกิเลสต่วตัดต้อลมว่าตัดไม้ต้องตัดลากมันพุ่ น, นขันทบว